เรื่องตัวอย่างภิกษุเลี้ยงมารดาบิดาบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวถีฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขอบันประชาอุปสมบทเล่าเรียนพระธรรมลักกรรมฐานในสำนักอุปชายะอาจารย์อยู่ห้าปีแล้วขอลาอุปชายาอาจารย์ไปอยู่ในปา่าใกล้ปัตจันตคามแห่งหนึ่งส่วนมารดาบิดาของเธอ หลังจากลูกชายออกบวชแล้วทรัพย์สมบัติก็ร้อยหลอลงโดยลำดับเป็นผู้น่าสงสารอย่างยิ่งเพราะถูกโกงบ้างถูกยักยอกบ้างในที่สุดไม่มีอะไรเหลือปราสาทก็ถูกยึดไปทำงานก็ไม่ได้เพราะชราจึงเที่ยวขอทานนอนตามข้างฝาเรือนของคนอื่นในการต่อมา ภิกษุนั้นได้ทราบข่าวเรื่องมารดาบิดาของตนกำลังประสบทุกอย่างหนักจึงคิดว่าเราพยายามอยู่ในป่าถึงส2องปีเพื่อได้บรรลุมรรคผลแต่ก็หาได้บรรลุไม่แม้แต่มรรคผลเบื้องต้นก็มิอาจให้ถึงเราเป็นอภัพพูบุคคลในาศาสนาเสียแล้วจะต้องบวชไปทำไมอีกเราควรศึกเป็นครหอัสหาทรัพย์เลี้ยงมารดาบิดา ทำบุญให้ทานก็อาจเข้าถึงสวรรค์ได้ดังนี้แล้วออกจากป่ามุ่งหน้าสู่นครสาวัตถีใจของเธอผูกพันอยู่กับเรื่องของมารดาบิดาแต่เธอมาถึงนครสาวัตถีในเวลาเย็นผ่านเชตวนารามก็จูคิดได้ว่าพรุ่งนี้แล้วเราจากศึกเป็นเครือหัดธรรมดาครือหัดก็ย่อมมีกิจมากมีธุระมาก หาอากาศฟังธรรมได้ยากเย็นนี้เราจักฟังธรรมของพระศาสดาได้เพศบรรัณชิตเป็นวาราสุดท้ายคงได้คติเตือนใจอะไรบ้างเป็นแน่พรุ่งนี้จึงค่อยทูลลาพระศาสดาศึกเธอแวะเข้าไปในวัดเชตวันเช้า ว, วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยศัสตร์อันพระองค์พอจะโปลดได้ตามพุทธประเพณี ได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของภิกษุนั้นแล้วในเวลาเย็นได้เวลาแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นนั่งอยู่ในหมู่ภิกษุสงฆ์จึงทรงพนานาพระคุณแห่งบิดามารดาโดยอาศัยมาตุโปสกะสูตรเป็นต้นเป็นอนเนกปริยายภิกษุนั้นฟังแล้วทราบซึ้งใจยิ่งนักคิดว่า เราเดินทางมาด้วยคิดว่าจะศึกไปเลี้ยงมารดาบิดาแต่พระศาสดาตรัสว่าแม้เป็นบันพชิตก็สามารถอุปการะมารดาบิดาได้ถ้าเราไม่มาเฝ้าพระพุทธองค์เราคงต้องเสื่อมจากเพศบันพชิตอย่างแน่นอนบัดนี้เราจักไม่ศึกจักเลี้ยงมารดาบิดาทั้งเป็นบันพชิตนี้เองในวันรุ่งขึ้น เธอเอาสลากยาคูและสลา ก, กพัดอันถึงแล้วแก่ตนเข้าไปในบ้านนําเอายาคูและพัดมาให้มารดาบิดาส่วนตนเองเที่ยวบินทบาตฉันเสร็จแล้วทําที่อยู่ให้มารดาบิดาและปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยความเอื้อเฟื้อแต่นั้นมาเธอได้อาหารใดใดก็ตามจะต้องให้มารดาบิดาก่อนเสมอเมื่อเหลือจากมารดาบิดาแล้วจึงบริโภคเอง บินทบาตนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากบ้างน้อยบ้างเธอก็ฉันบ้างอดบ้างแต่หน้าที่ปฏิ บ, บัติบังรงมานดาบิดานั้นเธอมีให้บกพร่องได้เมื่อได้ผ้าวัดสาวาศิกษาโดกหรือผ้าจำนำพรรษาคือผ้าที่ชาวบ้านถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบสามเดือนมาเธอก็ให้แก่มานดาบิดา หรือได้ผ้าชนิดใดชนิดหนึ่งมาก็ให้มารดาบิดาก่อนส่วนตนปะชุนผ้าเก่าๆที่มารดาบิดาใช้แล้วมาย้อมและใช้สอยเองความกังวลในการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาอย่างหนึ่งความที่ต้องอดอยากเพราะได้อาหารไม่พอเลี้ยงร่างกายอย่างหนึ่งทำให้เธอสูผ้ผอมลงผิวพรรณที่เคยผ่องใสก็มวนหวงลงภิกษุทั้งหลายได้พบเธอ จึงถามถึงสาเหตุอันทาให้เธอผอมไปพิกษุผู้เลี้ยงมารดาบิดาได้บอกตามความเป็นจริงทุกประการพิสษุทั้งหลายติเตียนเธอแล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระาศาสดาพระาศาสดารับสั่งให้เธอเข้าเฝ้าทั้งที่ทราบเรื่องอยู่แต่ก็ทรงให้พิสุนั้นทูลความจริงอีกครั้งหนึ่งทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุกการสามครั้งว่า ดีแล้วที่ทําเช่นนั้นเพราเป็นการดําเนินตามปุพพจริยาแห่งพระองค์แม้พระองค์เองในการก่อนก็ทรงเลี้ยงมารดาบิดาเหมือนกันขึ้นชื่อว่าการเลี้ยงมารดาบิดานั้นเป็นวงของภริยาเจ้าทั้งหลายตรัสเรื่องสุวรรณสามโพธิสัตว์ขึ้นเป็นอุทาหรณ์แล้วประกาศอริยสัจเมื่อจบอริยสัจพิสูพผู้เลี้ยงมารดาบิดาได้บรรลุโสดาปติผล ภิกษุอีกรูปหนึ่งเลี้ยงมารดาบิดาเหมือนกันพระศาสดาทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุกการและตรัสสุตนาชาดกในสัตตกะนิบาศทรงประทานสาธุกการแก่ภิกษุผู้เลี้ยงมารดาบิดาอีกรูปหนึ่งแล้วตรัสย้ำว่าภิกษุเธอรักษาวงแห่งโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายไว้ได้เพราะบัณฑิตในการก่อนทั้งหลาย แม้เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็สละชีวิตแกมารดาบิดาได้แล้วตรัสนันทิยมิคราชชาดกในชักกะนิบาศทรงประธานสาธุการแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งตรัสคิชาชาดกในสัตตกะนิบาศทรงประธานสาธุการแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งตรัสคิชาชาดกในทุกกะนิบาศทรงประธานสาธุการแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่ง แล้วตัดสาธิเกตธารชาดกในปกินนกะนิบาททรงประธานสาธุการณแก่พิกสุรูปหนึ่งและตรัสว่าโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อพลัดพรากจากมารดาแล้วก็สู้ผอมเพราะไม่ยอมกินอาหารตลอดเวลาเจ็ดวันแม้ได้อาหารดีเยี่ยงอาหารของพระราชาก็หาได้สนใจไม่ เมื่อได้เห็นมารดาเท่านั้นจึงกินอาหารแล้วตรัสมาตุปโปสกะชาดกในเอกาทสกะนิบาทแล้วทรงประกาศอริยศัสตร์เมื่อจบอริยศัสตร์พิสูนทั้งห้ารูปได้สำเร็จโสดาปฏิผลผู้บมรุงเลี้ยงมารดาบิดาย่อมเป็นผู้อันพระศาสดาทรงสรรเสริญและบรรลุประโยชน์ของตนด้วยประการดังพนานามาชะนีอันนึ่ง ผู้เลี้ยงมารดาบิดาแม้มีภัยก็ยังปลอดภัยในข้อนั้นมีเรื่องต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องตัวอย่างสุวรรณสามดาบทในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นดาบทชื่อสุวรรณสามอยู่ในอาสมแห่งหนึ่งใกล้ฝั่งแม่น้ำชื่อมิขสัมมตามารดาบิดาของพระโพธิสัตว์จากสู่บอดทั้งสองข้างพระโพธิสัตว์ นิบัติมารดาบิดาอยู่ที่อาสมริงฝั่งน้ำนั้นเวลานั้นพระราชาแห่งกรุงพานาสีพระนามว่าเปรยลยักษ์ทรงมอบราชาสมบัติแก่พระมารดาแล้วออกป่าแต่พระองค์เดียวเพราะความปรารถนาเนื้อมรึกทรงฆ่าเนื้อไปเสวยไปและเที่ยวไปตามพระราชาอัธยาศัย เสด็จถึงริมฝั่งน้ำมิคขสัมมาตาใกล้ที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทรงพบรอยเท้าเนื้อที่ท่าตักน้ำดื่มของสวรรณสามแล้วซ่อนพระองค์อยู่ที่ซุ้มอันทำด้วยกิ่งไม้ทอดพระเนตรเห็นสวรรณสามดาบดอันหมู่เนื้อแวดล้อมแล้วลงอาบน้ำในเวลาเย็นขณะกลับทรงยิงด้วยลูกศร อ, อันอาบด้วยยาพิษพระโพธิสัตว์ล้มลง นอนสอดสายสายตาหาบุคคลผู้ยิงตนพร้อมด้วยกล่าวถ้อยคามันอ่อนหวานไม่ได้กล่าววาจาหยาบคายหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายต่อผู้ประหารตนแต่ประการใดพระราชาเิรยักษ์ทรงสดับวาจานั้นทรงดำริว่าผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงแล้วก็ไม่ได้ด่า ว, ว่าเราเลยกลับร้องเรียกเราด้วยถ้อยคาอันน่ารัก ดังนี้แล้วสเสด็จเข้าไปใกล้ทรงเห็นสุวรรณสามดาบทประสบทุกข์พระองค์จึงทรงกันแสงเทพธิดาองค์หนึ่งซึ่งอยู่หน้าภูเขาคันธรมากชื่อวสุนทรีซึ่งเคยเป็นมารดาของพระสุวรรณสามโพธิสัตว์เมื่อเจ็ดชาติมาแล้วทราบเหตุ น, นั้นไม่ได้ปรากฏกายเลยมาบอกพระราชาให้ไปยังอาสม บำรุงมารดาบิดาผู้เสียจากสุของสุวรรณสามพระราชาได้เสด็จไปที่นั่นมารดาบิดาของพระโพธิสัตว์ทราบเรื่องทั้งปวงจากพระราชาแล้วขอให้พระราชานำตนไปยังสถานที่เกิดเหตุแล้วได้ทำสัจจะกุริยาต่อหน้าสุวรรณสามว่าสุวรรณสามบุตรของเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติมาเป็นเวลานาน ด้วยสัจจะวาจานี้ขอยาพิษในกายแห่งสุวรรณสามจงสูญหายไปจบสัจจากิริยาของมารดาบิดาพระโพธิสัตว์พลิกตัวได้ทีนั้นเทพธิดาได้ทำสัจจากิริยาบ้างว่าเราอยู่ที่พวกเขาคันธมาศมาเป็นเวลาช้านานใครๆอื่นจะเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าสุวรรณสามมิได้มีด้วยสัจจวาจานี้ ขอยาพิษในกายของสุวรรณสามจงสูญหายไปพอจบสัจจะกิริยาของเทียบทิดดาสุวรรณสามดาบทก็หายจากโรคลุกขึ้นได้พร้อมกันนั้นดวงตาทั้งสองข้างของมารดาบิดาแห่งสุวรรณสามก็กลับดีดังเดิมและเป็นเวลารุ่งอรุณพอดีลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ได้กล่าวกับพระราชาว่า บุคคลใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมเทพย่อมช่วยเหลือบุคคลเช่นนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญเข้าในโลกนี้เข้าละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์พระโพธิสัตว์ได้ทูลพระราชาต่อไปว่าหากทรงประสงค์จะเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกก็ขอให้ทรงประพฤติรมจริยาเหล่านี้คือหนึ่งการบงรุงมารดาบิดา การสงคราบบุตรและพันยาโดยธรรม 3. การประพฤติธรรมในมิสหายคือมีมิตรธรรม 4. การปฏิบัติชอบในสัตวพาหะและพลณนิกาย 5. การประพฤติธรรมต่อชาวบ้านชาวนิคม 6. ก, การประพฤติธรรมต่อชาวเมืองและชาวชนบท 7. การประพฤติธรรมต่อสมณะพราหมณาจารย์ 8. การประพฤติธรรมต่อเนื้อและนกทั้งหลายมหาราชพระโพธิสัตว์ทูลต่อไปขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดทมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสู่สวรรค์มหาราชเทพพาดาทั้งหลายบรรลุถึงทิพได้ก็พระประพฤติธรรมทั้งสิน้นขอพระองค์อย่าได้ประมาทในการประพฤติธรรมเลย 1. การบำรุงมารดาบิดาด้วยข้าวน้ำและการนวดฟันรวมทั้งการให้น้ำว้นปากไม้สีฟันและปัจจัยสี่ชื่อว่าการประพฤติธรรมในมารดาบิดา 2. การสงเคราะห์พระโอรส ธ, ธิดาด้วยปัจจัยสี่และการห้ามไม่ให้ทำชั่วให้ตั้งอยู่ในคุณความดีให้เล่าเรียนศิละปะวิทยาหาพัญญาอันสมควรให้ มอบทรัพย์ให้ในสมัยอันสมควรชื่อว่าประพฤติธรรมในพระโอรสธิดาการยกย่องไม่ดูหมิน่นการไม่ประพฤตินอกใจการมอบความเป็นใหญ่ให้การให้เครื่องประดับตกแต่งร่างกายชื่อว่าประพฤติธรรมในพระชายา 3. การสงเคราะห์มิตรอมานด้วยสังหวะวัตถุสีและพูดจริงไม่แกล้งกล่าวให้คลายเคลื่อนจากความจริง ชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในมิตรอมาตสเมื่อพระราชาพระราชทานสิ่งของอันควรพระราชทานทรงปูนบำเหน็จแก่สัตว์พาหนะมีช้างมาเป็นต้นและพลนิกายเมื่อช้างมาเป็นต้นแก่แล้วไม่ทรงใช้งานชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในสัตว์พาหนะและพลนิกรห้ 5. การไม่ทรงเบียดเบียนชาวบ้านและชาวนิคมให้ลำบากด้วยพระราชอาญาและส่วยหรือภาษีชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในชาวบ้านและชาวนิคม 6. การไม่ทรงบีบคั้นชาวเมืองและชาวชนบททรงมีพระราชเรือไทยเกื้อกูลแก่เขาชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในชาวเมืองและชาวชนบท 7. การพระราชทานปัจจัยสี่แก่สมณะและพรามณ์ชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในสมณะพราหมณ์ 8. การพระราชทานอาภัยแก่รรสัตว์สี่เท้าและนกทุกจําพวกชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในเนื้อและนกพระราชาทรงสดับคําของพระโพ ธ, ธิสัตว์สุวรรณสามแล้วมีพระราชาเรืไทยยินดีทรงยอมรบับศีลห้าไหว้พระโพ ธ, ธิสัตว์ แล้วเสด็จยังพระนครของพระองค์ทรงให้ทานและรักษาศีลทรงครองราชโดยธรรมสิ้นพระชนแล้ววังเกิดในแดนสวรรค์ส่วนสวรรณสามโพธิสัตว์ทาฌานไละพิญญาให้เกิดขึ้นแล้วเข้าถึงพรมโรคพร้อมด้วยมารดาบิดาเรื่องตัวอย่างเนื้อชื่อนันทิยะแนอดีตการ พระเจ้าโกศลครองกรุงสาเกตในแคว้นโกศลทรงพอพระทัยในการล่าเนื้อมากในการออกล่าเนื้อแต่ละครั้งต้องเกณฑ์ชาวบ้านไปเป็นบริวารครั้งล่ามากๆจนชาวบ้านไม่ค่อยมีเวลาทำงานอาชีพมีกสิกรรมเป็นต้นวันหนึ่งชาวบ้านทั้งหลายปรึกษากันว่าทำอย่างไรจรึงจะได้มีโอกาสทามาหากินบ้าง ไม่ต้องเที่ยวติดตามพระราชาออกล่าเนื้อทุกวันทุกวันปรึกษาตกลงกันว่าจะล้อมพระราชอุทยานอัญชนาวันต้อนเนื้อออกมาจากป่าให้เข้าอุทยานนั้นแล้วปิดประตูไว้ให้พระราชาได้ล่าเนื้อในพระราชอุทยานอัญชนาวันพวกตนจะได้มีเวลาประกอบอาชีพเลี้ยงลูกเมียพวกเขาเข้าป่าล้อมที่ประมาณโยชดหนึ่งไว้ ตกลงอย่างนั้นแล้วได้กราบทูลพระราชาพระราชาก็ทรงเห็นชอบด้วยเวลานั้นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นเนื้อชื่อนันทิยะพามารดาบิดาไปซ่อนอยู่ในพุ่มไม้เล็กๆพุ่มหนึ่งเห็นพวกมนุษย์เหล่านั้นแล้วคิดว่าวันนี้เราควสรสละชีวิตแกมารดาบิดาดังนี้แล้วพูดกับมารดาบิดาว่า ขอให้ท่านทั้งสองจงสงบอยู่ในพุ่มไม้นี้เมื่อพวกมนุษย์ตีพุ่มไม้ลูกจะวิ่งออกไปพวกมนุษย์จะได้เข้าใจว่าในพุ่มไม้นี้มีเนื้อเพียงตัวเดียวจะได้ไม่เข้ามาในพุ่มไม้นี้ท่านทั้งสองจะปลอดภัยขอท่านทั้งสองจงอยู่อย่างไม่ประมาเทเถิดและแล้วพระโพธิสัตย์ยังมารดาบิดาให้อดโทษ หากโทษของตนจะพึงมีในขณะอยู่ร่วมกันเมื่อพอมนุษย์ตีพุ่มไม้เท่านั้นก็วิ่งออกไปเข้าไปรวมอยู่ในพวกเนื้อด้วยกันพวกมนุษย์ก็เข้าใจอย่างที่พระโพธิสัตว์คิดไว้จึงไม่ได้เข้าไปในพุ่มไม้มารดาบิดาของพระโพธิสัตว์ก็ปลอดภัยพวกมนุษย์ต้อนเนื้อเหล่านั้นไปยังพระราชอุทยานกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบ แล้วไปสู่ที่อยู่ของตนของตนตั้งแต่วันนั้นมาพระราชาเสด็จไปยิงเนื้อวัละตัวแทบทุกวันไปบางวันไม่ได้เสด็จออกยิงเองก็ให้คนไปยิงมาพวกเนื้อตั้งเวรกันถึงเวรใครที่จะได้ถูกยิงก็ออกมายืนเด่นอยู่ด้านหนึ่งในที่สุดวาระของเนื้อนันทิยะก็มาถึงวันนั้น พระราชาเสด็จเองทรงเริ่มจะยิงเนื้อนันทยะรวบรวมกำลังใจทั้งสิ้นให้เป็นอันเดียวแผ่เมตตาไปยังพระราชายืนนิ่งอยู่ด้วยอนุภาพแห่งเมตตานั้นพระราชาไม่อาจปล่อยลูกสอนได้ทรงทราบเรื่องแล้วทรงทิ้งธนูพลางตรัสว่าธนูนี้แม้เป็นท่อนไม้ไม่มีจิตยังรู้คุณของเจ้า เราเป็นมนุษย์มีจิตหารู้คุณของเจ้าไม่เจ้าจงอดโทษเราด้วยเถิดและเราให้อภัยแก่เจ้าพระโพธิสัตว์จึงทูลว่าพระองค์พระราชทานอภัยแก่ข้าพระองค์แล้วส่วนเนื้อในอุทยานนี้จะทำอย่างไรเราให้อภัยแก่เนื้อทั้งหมดพระราชาตรัสพระโพธิสัตว์ ขอร้องให้พระราชาพระราชทานอภัยแก่เนื้อทุกจาพวกที่อยู่ในป่าปลาในน้ำและนกในอากาศแล้วให้ทรงดำรงอยู่ในศีลห้าแล้วแสดงทศพิษราชธร ร, ธ ร, รมสิบประการแด่พระราชาคือทานหนึ่งศีลหนึ่งบริจาคหนึ่งความเป็นผู้ซื่อตรงหนึ่งความอ่อนโยนหนึ่งตะบะหนึ่งความไม่โกรธหนึ่งความไม่เบียดเบียนหนึ่ง ความอดทนหนึ่งความไม่ยินร้ายคือความไม่ขึ้นไม่ลงหนึ่งมหาราชเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นธรรมเหล่านี้มีอยู่ในพระองค์อย่างบริบูรณ์ก็จะมีแต่ปีติสมนัตแลนี่คือทศพิธ ร, ราชธรรมสิบประการซึ่งผู้เป็นใหญ่ควรต้องประพฤติให้สม่ำเสมอพระโพธิสัตว์ให้พระราชาดำรงอยู่ในทศพิตราชธรรม แล้วไปสู่ป่าอันเป็นที่อยู่ของตนอยู่ด้วยมารดาบิดาตามอัธยาศัยในทศพิธราชธรรมสิบประการนั้นมีข้อที่น่าพิจารณาอยู่หลายประการเช่นทานกับบริจาคต่างกันอย่างไรอะไรคือตบะความไม่โกรธและความไม่เบียดเบียนต่างกันอย่างไรในที่นี้ท่านกล่าวว่าเจตนาพร้อมด้วยวัตถุชื่อว่าทาน หมายความว่ามีเจตนาที่จะให้และมีวัตถุที่จะให้ส่วนการสละทยธรรมชื่อว่าบริจาคตามคำอธิบายนี้ยังมองไม่เห็นความแตกต่างกันหรือท่านจะมุ่งกล่าวว่าการให้แก่คนทั่วไปเป็นทานส่วนการให้ทยธรรมแก่สมณะพรามผู้เป็นบรรพชิตเป็นบริจาค ข้าพเจ้ายังไม่เคยพบพระบาลีอธิบายความแตกต่างกันระหว่างทานและบุิจาคในทศพิตราชธรรมเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาบ้างอนุมานตามหลักฐานประกอบอื่นๆบ้างว่าบุิจาคนั้นมีความหมายสูงและขอบเขตกว้างกว่าทานทานในทศพิตราชธรรมนั้นหมายถึงการสละวัตถุสิ่งของ ส่วนบริจาคหมายถึงการสละบุตรพันยาหรืออวัยวะตลอดถึงชีวิตในคราวจำเป็นตามหน้าที่ของผู้ปกครองรัฐถึงคราวสละบุตรพันยาก็ต้องสละถึงคราวสละอวัยวะเลือดเนื้อก็ต้องทำแม้ถึงคราวสละชีวิตก็ต้องยอมทั้งนี้เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของทวยราช สละความสุขสมราษ์ส่วนตัวเพื่อความสุขของประชาชนแต่ทานที่มาในบารมีสิบของพระโพธิสัตว์ก็มีความหมายและขอบเขตกว้างเหมือนกันคือหมายถึงปัญจักมหาบริจาค ก, กล่าวคือสละวัตถุสิ่งของภายนอกหนึ่งสละลูกหนึ่งสละพัญญาหนึ่งสละอวัยวะเลือดเนื้อหนึ่งสละชีวิตหนึ่ง ตะบะนั้นท่านอธิบายเป็นอุโบสถกรรมคือการรักษาอุโบสถตะบะนั้นมีนยยะหลายอย่างจากมีแจ้งในบงคนข้อว่าด้วยตะบะโดยเฉพาะความไม่โกรธนั้นหมายถึงทรมีเมตตาเป็นปุพภพภาคหมายความว่ามีเมตตาเป็นเบื้องหน้าโดยใจความก็คือเมตตานั่นเอง ส่วนอวิหิงสานะั้นคือความกรุณาได้แก่การไม่เบียดเบียนทนไม่ได้ต่อความทุกข์ของผู้อื่นต้องการช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นมีทุกข์เรื่องตัวอย่างนกแรง้งในอดีตการพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นนกแรง้งเลี้ยงมารดาบิดาอยู่ที่คิชคูหาหรือถ้ำแรง้งนำอาหารมีเนื้อโคเป็นต้นมาเลี้ยง มารดาบิดาของพระโพธิสัตว์นั้นตาบอดทั้งสองข้างและแก่มากแล้วครั้งนั้นพรานคนหนึ่งชื่อนิริยะดักบ่วงไว้ในป่าชา้าใกล้กรุงพาราณสีไม่ได้เจาะจงสัตว์ประเภทใดแรงโพธิสัตว์มาติดบ่วงนั้นจึงคล่ำครวนถึงมารดาบิดาว่าจากมีชีวิตอยู่อย่างไรเพราะเมื่อสิ้นตนแล้ว ท่านเหล่านั้นก็สิ้นที่พึ่งคงจะต้องสู้ผอมตายอยู่ในถ้ำแห่งภูเขาเป็นแน่แท้พรานได้ทราบข้อความที่พระโพธิสัตว์รำพันนั้นแล้วจึงกล่าวว่าคนเขาพูดกันว่านกแร้งแลเห็นซากศพได้ไกลถึงรอยโยน์แต่ชะไหนมาใกล้ข่ายและบ่วงแล้วก็ไม่เห็นไม่รู้นกแร้งตอบว่าเมื่อใดสัตว์ถึงคราวจะเสือ่อม ในการนั้นสัตว์แม้มาใกล้ข่ายและบ่วงแล้วก็หายเห็นไม่พรานชอบใจคำของพระโพธิสัตว์ที่ตอบดังนั้นและเอ็นดูที่แรงรำพันถึงมารดาบิดาเห็นว่าไม่ควรถูกฆ่าจึงแก่วงออกจากเท้าด้วยความรักใคร่พร้อมกล่าวว่าเจ้าจงไปเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เท่าจงเห็นความสวัสดีในหมู่ญาติเถิด นกแรงกล่าวว่าขอให้ท่านจงบันเทิงในหมู่ญาติทุกคนเหมือนที่ให้พรแก่ข้าพเจ้าดังนี้คาบเนื้อเต็มปากไปฝากมารดาบิดาเรื่องตัวอย่างพญานกแขกเต่าในป่าไม้งิ้วแห่งหนึ่งใกล้กรุงราชครืใกล้ๆ้สานนบันพทมีนกแขกเต่าเป็นอันมากอาศัยอยู่ ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพญานกแขกเต้าตัวใหญ่เท่าดุมเกียนนำอาหารมาจากป่าหิมะพานเลี้ยงมารดาบิดามีพรานคนหนึ่งเป็นโกศิยโคตเป็นชาวสาลินทิยาคามหวานข้าวสาลีในนาประมาณพันกรีดให้มีคนรักษานาคนหนึ่งพญานกแขกเต้าและบริวารลงหากินในนานั้น คนรักษานาไม่สามารถห้ามได้เพราะมากเหลือเกินนกแขกเต้าอื่นๆกินตามต้องการและบินไปส่วนพญานกทํารวงข้าวสาลีเป็นอันมากเข้าด้วยกันแล้วออาปากคาบบินกลับคนรักษานาบอกพราหมณ์เจ้าของนาพราหมณ์จึงสั่งให้ฟันขนหางมา้าทําเป็นบ่วงดักไว้ที่พญานกลงคนรักษานาทําตามนั้น ดักได้พญานกโพธิสัตว์คนรักษานานาไปให้พรามพรามได้เห็นแล้วเกิดความรักเป็นล้นพลให้จับที่ตักของตนแล้วถามว่าเจ้านกแขกเต้าที่น่ารักเจ้ามียุ่งข้าวหรืออย่างไรจึงกินข้าวสาลีของเราแล้วยังข้าบไปอีกมากหรือเจ้าจองเวียนเราด้วยเรื่องใดพญานกแขกเต้าจึงตอบว่าพรามเอ๋ย ข้าพเจ้าไม่ได้ผูกเวีนอะไรในตัวท่านและยุ่งข้าวของข้าพเจ้าก็ไม่มีแต่เมื่อข้าพเจ้าไปถึงป่าไม้งิ้วแล้วย่อมเปลืองหนีบ้างให้เขากู้หนีบ้างฝังคุมทรัพย์ไว้บ้างเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงต้องนำข้าวสาลีของท่านติดไปด้วยขอท่านจงทราบตามที่ข้าพเจ้าบอกแล้วนี้เถิดนกเล็กๆขนปีกยังไม่งอกออกหากินไม่ได้ เป็นลูกของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงลูกนกเหล่านั้นต่อไปภายหน้าเขาจะเลี้ยงข้าพเจ้าตอบนี้เรียกว่าข้าพเจ้าให้นี่เขาไว้หรือให้เขากู้ยืมไว้มารดาบิดาที่แก่เท่าของข้าพเจ้าก็มีอยู่ท่านเคยเลี้ยงข้าพเจ้ามาแล้วข้าพเจ้าเป็นนี่ท่านเหล่านั้นอยู่เป็นอันมากข้าพเจ้านำข้าวสาลีไปเลี้ยงท่านเป็นการเปื้อหนี่ อันหนึ่งยังมีนกแขกเต้าเหล่าอื่นขนปีกเฮี้ยนเกรียนทุกพลภาพเพราะชราอาศัยอยู่ที่นั้นข้าพเจ้าต้องการบุญจึงให้ข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้นบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุญนั้นว่าขุมทรัพย์พรามได้ฟังแล้วเลื่อมสายรักใคร่จึงกล่าวว่าต่อแต่นี้ไปเจ้าเล่นนกทั้งหลายจงไร้โรคภัยบริโภคข้าวสาลีตามต้องการเถิด พรามได้มอบนาข้าวสาลีทั้งหมดให้แก้เครื่องผูกออกจากเท้าแต่เพราะเหตุที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้รู้จักประมาณจึงรับนาข้าวเพียงแปดกระดีดพรามให้ปากหลักลงในานาประมาณแปดกระดีดบอกคนเฝ้านาว่าบริเวณนั้นมอบให้นกแขกเต้าทั้งหลายเรื่องตัวอย่างพยาช้างในอดีตการ พระโพธิสัตว์เป็นพญาช้างเผือกปลอดเรียงมารดาอยู่ในป่าหิมพานต่อมาได้ทิ้งโขลงพามารดาไปอยู่ที่เชิงเขาจันโทรณนะให้มารดาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้าสาบัวคราวนั้นมีพลานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งหลงทางอยู่เจ็ดวันร้องให้คร่ำครวญมาถึงที่ของพระโพธิสัตว์ พญาช้างมีความเอ็นดูจึงให้นั่งบนหลังแล้วพาไปส่งยังถิ่นของมนุษย์พรานนั้นใจชั่วเมื่อถึงกรุงพาราณสีก็กราบทูลพระราชาด้วยหวังสินจ้างรางวัลพอดีช้างมงคลของพระราชาล้มลงในจังหวะนั้นพระราชาจึงส่งควานช้างไปกับพรานให้ไปนำพระโพธิสัตว์มาและนำมาพักไว้ในโรงช้าง พระราชาทรงถือของกินมีรสเลิศดต่างๆไปให้แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมบริโภคเลยเพราะใจจดจ่ออยู่ที่มารดาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงทูลความจริงว่าตนเลี้ยงมารดาผู้ตาบอดอยู่เมื่อไม่มีตนแล้วมารดาจาักลำบากวันนั้นเป็นวันที่เจ็ดแล้วที่มารดาไม่ได้อาหาร ตนเองไม่ต้องการอิสริยะยศหรืออะไรทั้งหมดต้องการเลี้ยงมารดาเท่านั้นพระราชาทรงทราบแล้วรับสั่งให้ปล่อยพญาช้างไปทรงพอพระทัยในคุณธรรมของช้างจึงรับสั่งให้สร้างหมู่บ้านใกล้ๆที่อยู่ของพระโพธิสัตว์แล้วให้คนนําอาหารไปบมรุงพญาช้างและมารดาเสมอต่อมาเมื่อพระโพธิสัตว์ล้มลง รับสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์ทำด้วยศิลาเท่าตัวพระโพธิสัตว์ชาวเมืองได้ประชุมกันฉลองช้างทุกปีท่านจึงกล่าวสรุปไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาปราถนาความพ้นทุกข์มองเห็นประโยชน์อยู่พึงเลี้ยงพรมคือมารดาบีดาอันถือว่าเป็นกิจสูงสุดในการทุกเมื่อเหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย